ทีนี้ยังมีปัญหาที่จะต้องทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอยู่อีกว่ามีหลายๆท่านมาถามว่าในขณะที่ตั้งใจพิจารณาอะไรอยู่เช่นพิจารณากายคตาสติเป็นต้นแต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วแทนที่จิตจะพิจารณาอยู่ที่กายคตาสติกลับไปเอาเรื่องวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทางโลก มาคนกว่าพิจารณาอยู่พิจารณาไปตามกระแสะแห่งวิชาที่เราเรียนมาตามหลักการวิชานั้นๆแต่รู้สึกว่ามีสติสัมปชัญญะรู้ทันความคิดอ่านอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นจิตของเราจะดำเนินผิดไหม ถ้าหากว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในขณะที่เรามีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อมแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจจะรู้ก็าตามเป็นสิ่งอื่นซึ่งปรากฏขึ้นในขณะที่จิตมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อมเมื่อสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาเราจะไปถือว่าจิตของเราเดินทางผิด ให้ยึดเอาอสิ่งที่จิตกำลังพิจารณาค้นคว้าอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นอารมณ์ไปเลยไม่ต้องย้อนกลับมาหาเรื่องกายยกตาสติอีกเพราะเมื่อจิตสงบลงไปแล้ววิธีเจนหรือสมาธิของเรามันจะกลายเป็นอัตโนมัติสามารถที่จะเหนียวเอาสิ่งใดซึ่งเป็นปัญหาข้องใจอยู่มาเป็นเรื่องพิจารณา าหาเรามีสติรูทันสิ่งนั้นๆอยู่ตลอดเวลาเป็นว่าจิตของเราไม่ได้เดินทางผิดเพราะวิชาความรู้นั้นก็เป็นอารมณ์ซึ่งเราได้มาจากการรู้เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจในเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอาญตนะภายในท่านจัดเป็นธรรมะหมวดหนึ่ง สิ่งที่เรารู้ด้วยตาหูจมูกเล่นกายใจแล้วไปรวมรู้อยู่ที่ใจอย่างเดียวสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นธรรมะฝ่ายสภาวธรรมควรที่จะยึดเป็นอารมณ์พิจารณาได้แต่การพิจารณานั้นไม่ได้หมายเอาว่าเราจะต้องพิจารณาให้มีความรู้จึงจะใช้ได้เพียงแต่สติซ้ำเพียงแต่จิตสัมผัสรู้สิ่งนั้นๆเรามีสติรู้ทัน แม้ว่าจิตของเราจะไม่สำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรก็ตามเรากำหนดหมายเอาแต่เพียงแค่ว่าจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกอยู่ในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติไม่ควรที่จะไปตั้งใจหาเรื่องมาคิดโดยเจตนา ถ้าเผ่อว่าจิตของเราคิดขึ้นมาเองเราทำสติรู้ไปเพราะถ้าหากสมาธิเกิดขึ้นเรามีสติสัมปชัญญะรู้ร้อมอยู่ที่จิตแล้วอะไรเกิดขึ้นภายในจิตเราเพียงแต่รู้บางทีเมื่อเราตั้งใจรู้สิ่งรู้มันก็หายไปแล้วจิตว่างเมื่อจิตว่างก็รู้อยู่ที่ความว่าง เมื่อว่างไปได้สักพักหนึ่งจิตย่อมเกิดความคิดเกิดความไม่ว่างขึ้นมาเราทำสติไล่ตามอยู่ตลอดเวลาจิตมีความคิดรู้อยู่ที่ความคิดจิตว่างรู้อยู่ที่ความว่างฝึกขาดทำสติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เราต้องการจากการภาวนานี้แม้ว่าเราจะทำสมาธิได้ดีพิเศษสักปันไดก็ตาม หรือจเจริญปัญญาให้คล่องตัวมีปัญญาความรอบรู้หรือจะมีความรู้มากมายกายกองศักเพียงใดก็ตามแต่จุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างสติสัมปชัญญะละธรรมทั้งหลายรวมลงสู่ความถ้าเป็นฝ่ายกุศลธรรมก็รวมลงสู่ความประมาทความไม่ประมาท เมื่อเราจะถามว่าความไม่ประมาทคืออะไรคือความไม่ปราศจากสติคือความมีสติธรรมอุศลทั้งหลายรวมลงสู่ความประมาทเมื่อถามกันว่าความประมาทคืออะไรก็คือความขาดสติเพราะฉะนั้นความข้อนี้จึงเป็นการส่องความให้กระจ่างแจ้งว่า การปฏิบัติธรรมทั้งนี้ทางนั้นเพื่อสร้างสติสัมปชัญญะสร้างสติสัมปชัญญะจนมีพลังพร้อมเป็นสติวินัยโยเเฝ้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมเฝ้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเราก็จะมีสติเป็นผู้นำอยู่ในจิต ผู้ที่มีสติเป็นผู้นําอยู่ในจิตเจ้ามีความรู้สึกสํานึกคิดชอบชั่วดีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีพุทธะอยู่ในจิตเพราะเรามีรู้อยู่ในจิตเมื่อพุทธะตัวนี้มันเกิมีพลังแก่กล้าขึ้นจนกระทั่งสติมีความเข้มแข็งเลยละเอียดยิบมีพลังที่ไม่หวั่นไหว จิตของผู้ภาวดาก็จะกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการเข้าถึงพระไตรารณะคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พร้อมเราจะได้ความเชื่อมั่นในโอวาทคำสั่งสอนของพระตตาคตเจ้านิวิทัทโทมีความมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรยัย นิวิทาเปโมมีความรักมั่นในคุณพระรัตนตรยัยอาตาทีปะมีตนเป็นเกาะอตตะสรณ า, ามีตนเป็นที่พึ่งเพราะตนของตนกลายเป็นพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยประกาศนี้จิตเวียนญาณและร่างกายมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว จิตวิญญาณและร่างกายมีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว <c oughs> เมื่อจิตตวิญญาณอันนี้ไปเที่ยวยึดอะไรเปะปะไปโดยไม่มีความมั่นใจ <c oughs> เป็นโอกาสที่ <c oughs> ให้ เป็นช่องโวที่ทำให้วิญญาณอื่นเข้ามาแทรกสิ่งได้เช่นโดยปกติคนเรามีจิตมีวิญญาณที่เยไปเที่ยวยึดจู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจหาอะไร ย, ยึดมั่นเป็นที่แน่นอนไม่ได้พออะไรผ่านเข้ามาก็ยดึยดยดึยดยดึด ในเมื่อจิตวิญญาณของเราไปยึดสิ่งอื่นจิตวิญญาณของเราก็กลายเป็นเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เป็นตัวของตัวเมื่อไม่เป็นตัวของตัวจิตวิญญาณก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคง พอกันอบายวิธีที่ทำให้จิตวิญญาณอันนี้มีที่ยึดอย่างมั่นคงเราจึงมาฝึกกรรมฐานด้วยวิธีการต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนเมื่อเราไม่มีสิ่งยึดอย่างเหนียวแน่นมันก็กลายเป็นจิตวิญญาณที่โลเลยึดโน่นบงัง ยึดนี่บางจับนี่วางโน้นจับโน้นวางนี่ไม่มีความมั่นคงในสิ่งที่ยึดจึงเป็นช่องโหว่ให้วิญญาณอื่นเข้ามาสิงได้ดังนั้นปัญหาที่ว่าจิตวิญญาณเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็มีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวโดยทั่วไป ขอปฏิบัติธรรมที่จะได้จะให้ได้สระที่พึ่งอย่างแท้จริงต้องมีสิ่งยึดเหนียวเป็นกิจิตเราจึงมีการปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทุกโอกาสที่เราทำความดีถ้าจิตของท่านผู้ใดมายึดมั่นอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างเหนียวแน่นโดยไม่หวั่นไหวเวิยนญาณต่างๆไม่มีโอกาสที่จะเข้าประทับทรงได้ แม้แต่สำนักทรงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในกรุงเทพเคยนิมนต์พระบางองค์ซึ่งเป็นนักปฏิบัติเข้ามาร่วมพิธีการบางเอิญพระท่านนั้นนึกสนุกขึ้นมาก็กำหนดจิตตัวว่าจะมีเจ้ามาทรงจริงหรือเปล่าเมื่อกำหนดจิตทำจิตสว่างสวัยขึ้นมาแล้วมองเห็นเจ้าแห่กันออกมาจากศาลพระกันล้อมลุกพุกขาน แย่งกันจะเข้ามาประทับสงเพราะคนเจ้าเกิดลำคาญกลัวเจ้าจะตีกันหัวล่างข้างแตกจึงกำหนดจิตห้ามไม่ให้เจ้าเหล่านั้นมาสงทาเอาเจ้าสำนักต้องประสบกับความล้มเหลวเพราะได้ประกาศไปแล้วว่าจะเชิญเจ้าโน้นเจ้านี่มามาประทับสงเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ใดมายึดพระพุธะทธธรรมประสงค์เป็นสรณะที่พึ่งอย่างเหนียวแน่นจิตของเราก็มีสาระมีที่พึ่งมีที่ยึดเมื่อพระพุระธรรมประสงค์นี่เรายึดอย่างเหนียวแน่นภายหลังมาจิตของเราจะกลายเป็นพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทาสมาธิจิตสงบสว่างลงไปเมื่อไร เราอยากจะไปมองดูหน้าเจ้าตามสถานที่ต่างๆส่งกระแสจิตไปแล้วจะมองเห็นเจ้ า, าทัางท้ ง, ท ง, ท ง, ทงหลายนั่งดวดเล่ากันอยู่เป็นแถวๆปัญหานี้ขอให้คำตอบนี้นมัตการถามนี่เป็นปัญหาข้อสองเรื่องเข้าทรงอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเข้าทรงอีกเหมือนกัน บอกว่าเป็นหลวงพ่อโตหลวงพ่อกรมลังสีเทพพระพระพรหมหลวงปู่ต่างๆและบอกว่าจะไม่เกิดอีกแล้วแท้จริงอย่างไรอันนี้เรื่องปัญหาเหล่านี้ไม่อยากจะตอบให้มันกว้างขวาง เป็นว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาของเราแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งยุดพระไตรสรณคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงโดยมีนโยบายที่จะสร้างตัวเองให้มีภูมิจิตภูมิใจเป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงและอีกพวกหนึ่ง ปฏิ ญ, ญาณตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาจริงศาสนาแต่ว่าเมื่อการประพฤติหรือจิตใจยังหวังพ่งพึ่งหลวงพ่อพระปรมพระเทพพระอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นความพอใจหรือความสมัครใจหรือความเชื่อมั่นของท่านเหล่านั้น ไอ้เรื่องอย่างนี้ถ้าพูดมากไปก็ใล้ๆกับว่าโจมตีกันหรือทำลายผลประโยชน์กันขอบอกไปเพียงว่าคนรับถือพระพุทธศาสนาของเรานี่แยกออกเป็นสองประเภทพวกหนึ่งยึดมั่นในพระรัตนตรัยจริงๆอีกพวกหนึ่งยึดในพระรัตนตรัยทั้งหลวงพอ่อหลวงตาทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาทีเา่เกิดมีการทรงการประทับทรงอะไรต่างๆนี่ ก็มีมนๆ อ, อย่างปัญหาแรกเพราะเขาเหล่านั้นยังนับถือเทพทเจ้านับถือหลวงพ่อผู้หรือเจ้านโน่นเจ้านี่ในเมื่อทำพิธีทรงขึ้นมาแล้วมันก็เกิดมีการส่งาหากเราจะมั่นต่อพระรัตนตรัยกันจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเข้าสรงเราได้ทำไมพวกนี้จึงบอกว่าเรื่องบอกอนาคตได้ เรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตโดยกปกติแล้วไม่มีใครรู้เห็นด้วยกับผู้ที่บอกเราทีนี้วิถีชีวิตของคนเราย่อมมีอันเป็นไปต่างๆในเมื่อเรื่องอดีตเช่นอย่างสมมติว่าตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ย วิถีชีวิตของเราเป็นไาอย่างไรอย่างไรพวกทรงเหล่านั้นเขาสามารถที่จะบอกได้และเรื่องที่ว่าในชาติอดีตเป็นอย่างนั้นในชาติอดีตเป็นอย่างนี้เขาก็บอกได้บอกได้นะบอกได้แต่ว่าจะผิดหรือถูกนั้นเราก็ไม่กล้ารับรองและเขาเองก็ไม่กล้ารับรอง ถ้อย่างสมมติว่าหลวงพ่อเนี่ยมีใครมาบอกว่าให้ตั้งโดวิจญาณ์ของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วว่ามีความสุขทุกอย่างอย่างไรเพราะอาศัยความเชื่อถือความเลื่อมใสหลวงพ่อหลับตาลงทักนึกอยากได้กติสวยๆโอ้ยปู่ย่าตายายของคุณนี้ไม่มีที่อยู่เลยสั่งชั้นมาบอกว่าให้ไปสร้างกติหลังสวยๆให้หน่อย ถ้าอยากได้กติญาติโจมนี่จะต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามนุษย์ธรรมดาไม่เห็นด้วยไม่รู้ด้วยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่พูดหลวงพ่อก็อ่านคัมภีร์พระไตรปิฎกมาบ้างพอสมควรเหมือนกันเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้ฟังเป็นนิทานต่างๆที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านรู้ก่อนใคร แต่เมื่อไม่มีใครมาทูลถามพระองค์จะไม่เทศเช่นอย่างเรื่องเทวดาบูชาดอกบวชผมเมียงสีดอกแล้วไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมายท่านหมอกคลาไปเยี่ยมสวรรค์ไปเห็นเข้าพอไปถามรู้ความแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าเป็นไปได้หรือคนบูชาดอกบวชผมสีดอกไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมาย พระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าเออโมกคัลาเป็นพยานของเราแล้วเรียกริษูทั้งหลายมาประชุมเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่ก่อนพระพุทธเจ้าไม่รู้หรือจึงไม่แสดงทีนี้ที่พระองค์ไม่แสดงเพราะไม่มีหลักฐานพยานสาวกของพระพุทธเจ้าปัจจุบันที่สงสัยจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นในไห น, ไหนแม่หลักฐานพยานไม่มีก็แสดงดไป อันนี้อันนี้ขอให้คำตอบแค่นี้พูดมากไปมันทำลายประโยชน์ของคนอื่นนี่ปัญหาหนึ่งผู้ที่ทำกรรมฐ า, านนั้นจะมีแสงเหมือนกันเหมือนไฟฟ้าไฟฟ้าสกิดออกจากเสื้อผ้าและผ้าห่มนั้นเกิดเนื่องมาจากสาเหตุอะไร ผู้ทำกรรมฐานเมื่อบริกรรมภาวนาเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิถ้าสมาธิอั น, นั้นประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุเกักาตาหรือยังไม่พร้อมก็ตามแสงยุบยบเยีบเยี บ, ย บ, ย บ, ยบจะบังเกิดขึ้นปรากฏในสายตาของท่านผู้นั้นอันนี้เป็นวิสัยของผู้มีใจอ่อนแต่สำหรับบางท่านไม่เป็นอย่างนั้น เมื่อสงบลงไปจริงๆแล้วเกิดมีความสว่างสบายขึ้นหรือบางท่านความสว่างสบายหรือแสงอย่างนั้นไม่มีเลยแต่เมื่อจิจสงบลงไปแล้วรู้สึกมีความแจม่มๆจมกระยิ่มยิ้มย่องอยู่ภายในจิตอันนี้ซึ่งแล้วแต่อุปนิสัยของผู้ใดจะเป็นไปเช่นนั้นแต่ขอยืนยันว่าสมาธิที่มีพลังงานอย่างเต็มที่จะต้องมีความสว่างเป็นเครื่องหมาย หมายถึงสมาธิขั้นสมถะกรรมฐานขั้นฌานถ้าสมาธิเดินฌานอย่างแท้จริงต้องมีความสว่างสบายถ้าสมาธิเดินขั้นวิปัสสนามีความคิดเกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาแต่สติเฝ้าดูเหตุการณ์ตลอดเวลาความสว่างสบายอย่างว่านั้นจะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่จังหวะของจิต มีแต่ความจ่เจมและความรู้ทันอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นลักษณะของสมาธิที่เดินขั้นวิปัสนาในมาพุทมาถึงตรงนี้ก็ขอย้ำอีกที่ว่าคำว่าฌานฌานหรือสมาธินี่เราพอที่จะแยกออกได้เป็นสองประเภทหนึ่งสมาธิในฌานคือสมาธิในฌานในลักษณะ ฌานสมาบัติฌานฤสีสมาธิในฌานฤสีนี่เมื่อจิตสงบลงไปนิ่งแล้วมีความสว่างสวยัยร่างกายตัวตนหายไปหมดจังแต่ความว่างเปล่าอันนี้คือสมาธิในฌานเพราะไม่รู้อะไรเรียกว่าอารัมมโนปนิธานเมื่อจิตอยู่ในฌานแบบฤสีจิตจะไปรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียว เช่นอย่างเพ่งกระสินก็ไปรู้ยอยูอกขหานิมิตถ้าเพ่งอสุภากรรมฐานก็จะไปรู้อยู่ที่โครงกระดูกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าหากว่าไม่มีสิ่งรู้จิตก็จะรู้อยู่ที่จิตแล้วสว่างสวัยอยู่อย่างไม่มีจุดหมายร่างกายตนตัวหายไปหมดภูมิความรู้เหตุรู้ผลอะไรต่างๆไม่เกิดขึ้นมีแต่ความว่างถ่ายเดียว อันนี้เป็นสมาธิแบบฌานฤสีสมาธิแบบฌานฤสีนี้เป็นบาดพื้นให้เกิดวิปัสสนาถ้าเมื่อเราอยู่ในฌานฤสีถ้าจิตของเราออกจากฌานฤสีพอรู้สึกว่ามีกายปรากรขึ้นความคิดเกิดขึ้นมาพับผู้ภาวนาธรรมสติกำหนดตามรู้ไปแล้วฌานฤสีจะกลายเป็นพลังส่งสนับสนุนจิตของเราให้เดินวิปัสสนาได้อย่างแน่วแน่ อันนี้แล้วแต่ความฉลาดของผู้ปฏิบัติทีนี้ในเมื่อจิตของเราถอนออกมาจากสมาธิเช่นนั้นมากำหนดหมายความคิดอ่านเป็นอารมณ์เครื่องรู้แล้วก็ตามรู้ไปรู้ไปรู้ไปเมื่อเกิดวิตกวิจารขึ้นมาเมื่อไหร่คือจิตคิดเองสติตามรู้เองทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเหมาเจาะกันพอดีความคิดก็คิดขึ้นสติก็ทาหน้าที่ จจอ่จอกันอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นวิโตเมื่อมีติวิโตควิจารณเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ฌานที่หนึ่งกับที่สองเมื่อองค์ฌานที่หนึ่งที่สองเกิดขึ้นแล้วปีติและความสุขจะเกิดเป็นไปอาจะไม่เกิดเป็นไปไม่ได้ปีติและความสุขจ่อมเกิดเป็นผลตามมาเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมีสติจดจอ่จออยู่กับความคิดที่เกิดดับในปัจจุบัน กลายเป็นเอกักเพื่อจิตทําหน้าที่ของจิตโดยไม่มีเปลี่ยนแปลงสติจิตก็ทําหน้าที่คิดพิจรารณาสติก็ทําหน้าที่ของสติแล้วลักษณะความดูดื่มพระสัธรรมคือปีติและความสุข ก, ก็เกิดพร้อมอยู่ตลอดเวลาความเป็นหนึ่งของจิตตามความหมายของฌานในขั้นนี้ไม่ได้หมายความว่ า, ห, าหนึ่งจิต โดยไม่มีความรู้ไม่มีสิ่งรู้แต่สิ่งรู้นี่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่จิตก็หนึ่งจดจ่ออยู่กับสิ่งรู้ในปัจจุบันเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งเป็นฌานที่หนึ่งเป็นฌานในวิปัสสนาเป็นสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคต้องมีสิ่งรู้สติต้องมีสิ่งะระลึก เมื่อจิตผ่านฌานที่หนึ่งที่สองไปแล้วจนกระทั่งเข้าไปสู่ฌานที่สี่กลายเป็นฌานที่ห้าจิตถีบตัวขึ้นหนีจากร่างกายลงไปแล้วไปแล้วทุกเสียงทุกอย่างหายไปหมดในช่วงที่ทุกเสียงทุกอย่างหายไปหมดนั้นจิตอยู่ในฌานที่ที่ห้าอากาสานันจาเยัตนะ เมื่อจิตหวนที่จะมายึดปิจยานเป็นสิ่งรู้กลายเป็นโคลตรตละกูญยานสิ่งโลภของจิตปรากฏขึ้นมาทันทีบางทีเปลี่ยนเพิือนว่าจิตลอยเด่นอยู่เหนือโลกแต่มีกระแสมองดูโลกทั่วหมดทั้งโลกบางทีปรากฏมีกายตายลงไปจิตดูอยู่ที่ความตายนั้นแล้วก็รู้ไปตลอด จนกระทั่งกายที่มองเห็นสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือเหลือบางทีจิตก็มีสิ่งรู้ที่ผ่านเข้ามามีลักษณะเหมือนอมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาจิตตัวนี้อยู่ในอริยมรรคเอกายโนโมัคคุเขาตั้งตัวเดินหยัดอยู่ในความสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่ และไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งนั้นๆที่ผ่านเข้ามาแม้สิ่งนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเขาก็รู้สิ่งนั้นอยู่รู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นความรู้ในขั้นนี้จึงกลายเป็นความรู้ขั้นโลภุตละ ความโลขั้นโลกุตระหมายถึงความโลที่ไม่มีสมมติปัญญาทีนี้ในเมื่อจิตไม่มีสมมติปัญญาทุกสิ่งโลทั้งหลายเหล่านั้นมาจากไหนก็จิตตัวที่ละเอียดนั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาเพื่ออบรมตัวเองเพราะจิตปรุงแต่งขึ้นมาสังขารตัวนี้มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจิตไม่ยึดมันก็กลายเป็นวิสังขาร เป็แต่เพียงสิ่งลู่ของจิตสิ่ง ล, ลึกของสติลู่แล้วก็ปล่อยวางไปเรียกว่าฌานในอริยมรรคฌานในอริยมรรคนี่เรียกว่าลักคนูปนิชานเพราะจิตทําหน้าที่กําหนดลู่สิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าใครลู่เห็นคำวมาในขั้นนี้แม้จะมองเห็นร่างกายเน่าเปือ่อยผุพังจิตมันก็ไม่ว่าเน่าเปือ่อยผุพัง มองเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่ว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตามีแต่รู้อยู่โดยท่ายเดียวเพราะฉะนั้นความรู้อันนี้ท่านจึงเรียกว่าสังขารขั้นวิสังขารเป็นความปรุงแต่งของจิตขั้นละเอียดจิตที่ปรุงแต่งอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงมีประหนึ่งว่าสิ่งทุร้รู้สิ่งทุ้รู้ก็เป็นอันหนึ่งิจ ต, ตัวผู้รู้ก็เป็นอันหนึ่งในช่วงนี้แหละนักภาวนาทั้งหลาย จะไปเข้าใจว่าสิ่งรู้ทั้งหลายนี่มีเทพเจ้ามีอะไรบันดาลให้เข้ามาปรุงแต่งมาให้เรารู้แต่แท้ที่จริงไอ้เจ้าจิตตัวมีปัญญาละเอียดมันตุงมขึ้นมาสอนตัวมันเองทีใดเมื่อจิตไม่มีความสำคัญมั่นหมายสิ่งใดว่าเป็นอะไรมีแต่รู้อยู่เฉยๆยกตัวอย่างเช่นภาพในมิตรอาจจะบังเกิดขึ้นนี่เป็นร่างศพที่เน่าเปื่อยผุพังแต่นี่เป็นร่างที่สวยงามที่สุด ในขณะที่จิตรู้เห็นอยู่จิตจะไม่สำคัญไม่มีความเอ็งเอียงลำเอียงว่าอันนี้ดีอันนี้เสียมีความรู้สึกเสมอกันหมดทีนี้แม้ว่าจะไปรู้กฎของบุญของบาปอะไรต่างๆก็ดีหมาควาว่าความดีความดีไม่ปรากฏความชั่วไม่ปรากฏเพราะในขณะนั้นจิตเป็นกลาง ในเมื่อจิตเป็นกลางแล้วจิตจึงไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งดี ส, งสิ่งชั่วแต่จิตจะยอมรับกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราสมมติว่าบุญนี่เป็นสิ่งพระจุงดวงจิตของเราสูงขึ้นแต่สิ่งที่เราสมมติว่าบาปนี่เป็นกฎที่จะถ่วงดวงจิตของเราให้ต่ำลงคำว่าบุญบาปนี่หายไปหมดเพราะรู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติ เพราะฉะนั้นความรู้ในจุดนี้จึงเป็นอันตรายแก่นักปฏิบัติในเมื่อไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสมมติบัญญัติในที่สุดนิพพานังปรามังมรรคสุญญ์ยังไปหมดไม่มีใครสําเร็จปณิพานบุญบาตรที่ทําลงไปมรรคสุญญ์ยังไปหมดไม่มีอะไรสักแต่ว่าทําเท่านั้นนิยตามิจฉาทิฏฐิมันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้เพอเง้นนักภาวนาทั้งหลายควรระมัดระวัง เอาปัญหาต่อไปการทําบุญนอกเขตบุญในพระพุทธศาสนาหมายความว่าอย่างไรการทําบุญนอกเขตบุญในพระพุทธศาสนามีขอบเขตจํากัดเพียงแค่ว่าไปทําบุญกับนักบวศาสนาอื่นมีความหมายเพียงแค่นี้ทีนี้ถ้าจะถามต่อไปว่าไปทําบุญกับนักบวชศาสนาอื่นจะได้บุญไหมได้ การทำบุญไม่เฉพาะที่จะมาทำกับพระกับสงฆ์ถ้าท่านผู้ใดไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะหิ้วปีนโตไปถวายหลวงพ่อในวัดหรือไม่มีเวลาที่จะออกไปตักบาตรหน้าบ้านให้ทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้บุญและทำบุญกับคนอื่นๆให้แก่คนกำพร้า อ, อนาถาคนข อ, ขอทา น, านตกพวกได้ยากได้บุญทั้งนั้นแม้ทำบุญนอกพระพุทธศาสนานี่ก็ได้บุญ แต่ที่ท่านว่าทําบุญนอกศาสน์นอกศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าใครไม่นิยมที่จะทํามันเป็นเรื่องที่ถิมานะ <c oughs> เรื่องถือตนถือตัวถือเราถือเขา <c oughs> ในเมื่อจิตใจของเรามั่นตอบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปกราบลงในบทฝรั่งมันก็ถูกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของเราถ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจมี ถ้าไม่มีในใจปรกาบที่ไหนก็ไม่ถูกอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราถือเอาใจเป็นใจอย่าไปรังเกียจเวลาเขาชวนเข้าโบสถ์เขาทำพิธีก็เอา้าทําไปก็ครับแต่ใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าของเราไม่เสียหายาได้โปรดสรุปคำว่าสมาธิในอริยมรรคอีกครั้งหนึ่งสมาธิในอริยมรรคหมายถึงสมาธิที่ประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่ง มีสภ า, าวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปรากฏขึ้นในจิตอย่างแจ่มชัดแม้สมาธิในขั้นสมถะก็ได้ชื่อว่าสมาธิในอริยมรรคเพราะเป็นมูลฐานเป็นบาทฐานให้เกิดวิปัสสนาทีนี้สมาธิในอริยมรรคที่ใช่การได้หมายถึงสมาธิที่เราอบรมจิต ใช่การพิจารณาหรือระลึกตามรู้สิ่งต่างๆอันเป็นอารมณ์ของจิตจนกระทั่งจิตเกิดมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคขาตาแล้วทำหน้าที่พิจารณาสภาวะธรรมเรื่อยไปเจ้าสติก็ตามรู้ไปจนกระทั่งจิตรู้แจ้งเห็นจริงแล้วสงบนิ่งเด่นสว่างอยู่ในถ้ำกลางแห่งกิเลสและอารมณ์ดำรงตัวอยู่เป็นอิสระในถ้ำกลางแห่งกิเลสและอารมณ์ต่างๆได้โดยไม่หวั่นไหว แล้วไม่เกิดความยินดีนยินไลมีจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมอันนี้แล้วก็ไม่มีความหวั่นไหวต่อกิเลสและอารมณ์ได้ง่ายอันนี้เป็นสมาธิในอริยมรรคโลภล่างของจิตเป็นอย่างไรจิตเป็นสิ่งที่ไม่มีโูปล่างมีแต่ลักษณะอาการคืออาการคิดนึกนั่นเองเป็นโลภล่างของจิต ถ้าจิตคิดขึ้นในขณะที่มีสมาธิในสมาธิอย่างอ่อนๆเรียกว่าอุปจาระสมาธิคิดถึงอะไรจิตจะปรุงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ว่ารูปร่างนั้นไม่ใช่จิตเป็นแต่เพียงอารมณ์ของจิตอาการของจิตนี้คือความรู้สึกรูเนึกรคิดแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่วเป็นแต่เพียงรู้สึกรูเนึกรูคิดเลื่อยเปื่อยไปแต่จะรู้ดีรู้ชั่วต้องอาศัยพลังของสติ ความคิดอ่านเป็นเรื่องของจิตจิตไม่มีรูปร่างเป็นนามธรรมเวลาภาวนาพธโทหรือพิจารณากายทำาไมจึงนิ่งหายไปเร็วนักที่พิจารณาพิจารภาวนาพุทโธหรือพิจารณากายเมื่อจิตสงบลงไปแล้วบริกรรมภาวนาก็หายไปจิตนิ่งเข้าสู่สมาธิ ความนิ่งอันนี้เป็นความนิ่งในเบื้องต้นจิตยังไม่ทรงพลังจึงไม่สามารถปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรูปภูมิธรรมผู้ภวาวนาควรจะได้พิจารณากายบ่อยๆเมื่อมันหายไปถ้ารู้สึกว่ามันหายก็ ย, ยกเปลืองกายขึ้นมาพิจารณาอีกมันหายไปก็ ย, ยกขึ้นมาพิจารณาอีกบ่อยๆซ้ำๆสักๆเดี๋ยวเกิดพลังงานขึ้นมาเองต่อไปเขาจะภาวนาพิจารณาของเขาเอง ปฏิบัติทำโดยภาวนาพุโทโธมาปีกว่าแล้วได้รับความสงบเบากายเบาใจพอสมควรจนเมื่อประมาณเดินเสร็จมาเนี่เมื่อนั่งปฏิบัติคราวใดจะมีอาการตึงเครียดที่บริเวณหน้าผากและบริเวณจมูกทำให้เกิดทุกข์เหมือนปฏิบัติเอาความเครียดไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไร อาการตึงเครียดปวดสีสาปวดที่โครงจมูกเป็นอาการที่เราค่มจิตบังคับจิตให้มันหยุดนิ่งหน้าที่ของเราถ้าจะบริกรรมภาวนาก็ภาวนาโพธิพโทธิ์โพธเฉยเฉยเหมือนกับว่าเล่นเล่นไม่ต้องการผลตอบแทนอันใดถ้าจะพิจารณาก็เคิดเรื่อยเปื่อยไปแต่ว่าทำสติอย่าไปมีอาการข่มจิตให้มันเกิดความสงบวิธีแก่ก็มีแต่เพียงมีเท่านี้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองเนง แล้วจิตมีทรงพลังขึ้นเขาจะก้าวหน้าไปเองเราจะทราบได้อย่างไรว่าพระอริยสงฆ์องค์ใดมีลักษณะอย่างเป็นพระโสดาบันแสดงให้รู้ได้อย่างไรอันนี้ไม่ใช่วิสัยของเราที่จะไปเที่ยววิจารณ์ว่าองค์นั้นเป็นอรหันต์องค์นี้เป็นโสดาสกีทาคาอนาคาบางทีเราเข้าใจผิดเราอาจจะเป็นบาปเป็นกรรมไปก็ได้ เขนอย่างหนังสือพิมพ์ต่างๆที่ออกไปบางทีก็ยกจ้องพระสจนเลอเลิศเอาจนพระหลงตัวเข้าใจว่าตัวเป็นพระอรหันต์จริงๆก็มีขอกราบเรียนถามว่ากำลังปฏิบัติสมถะอยู่แต่ไม่สามารถทำใจให้สงบได้เลยจะมีสงบก็เพียงนิดเดียวถ้าจะไปปฏิบัติที่เรียก ว, วาวิปัสสนากำหนดดูรูปนาม ขอเรียนว่าจะเป็นการขัดข้องหรือไม่ไม่เป็นการขัดข้องโดยปกติการบริกรรมภาวนาท่านนานไปตอนอ่านตอนแรกนี่จิตสงบดีแต่ทําไปมากๆพลังของสมาธิพลังของสติปัญญาดีขึ้นจิตเขาต้องการทํางานก็หางานมาป้อนให้เขาบ้างถ้าเขาไม่คิดไม่พิจารณาก็พิจารณาหรือจะกําหนดดูความเกิดดับเกิดดับภายในจิตของเรา ก็ได้อะไรเกิดดับในจิตก็คือความคิดนั่นเองถ้าจิตไม่คิดก็หาเรื่องมาให้มันคิดถ้ามันคิดอยู่แล้วทำสติตามรู้ไปอันนี้เป็นวิธีการที่ทำจิตให้เดินก้าวหน้าไปเมื่อเวลาสํารลมกายสํารวมใจเพื่อให้เกิดสมาธิในเนิกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คราวใดรู้สึกว่าร่างกายจิตใจเกิดอาการต่อต้านเกิดความเครียดโดยเฉพาะมาเครียด เกรมเนื้อที่ตาขอถามหลวงพราะว่าอาการเกิดขึ้นเพราะอะไรจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรในตอนแรกๆเราไม่ได้เอาใจใส่ตัวเองเราก็สบายในเมื่อมากําหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือแล้วเลิกถึงขนพระพุทธประธรรมพระสง์เมื่อเราเอามามาเอาใจใส่ตัวเองขึ้นมาแล้วบางทีเราอาจจะใช้วิถีจิตที่มามาคิดมาพิจารณาเนี่ย มงน้าที่จะข่มจิตให้เกิดความสงบพร้อมๆกันไปจึงมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นวิธีแก้ก็คือว่าพยายามนึกคิดบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาใดๆด้วยความเบาใจอย่าให้มีอาการข่มจิตอย่าให้มีอาการข่มอารมณ์หรืออาการที่จะข่มจิตให้สงบนาอยากหน้าที่มีแต่เพียงพิจารณาเรื่อยไปถ้าบริกรรมภาวนาก็บริกรรมเรื่อยไป เด็ดมันจะบริกรรมภาวนาพโพโตโพโธอยู่ตลอดที่สิบสี่ชั่วโมงก็ปล่อยให้มันเป็นไปถ้ามันจะคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลาก็ให้มันเป็นไปนาทีของเรามีแต่ทํำติดตามรู้เท่านั้นแล้วในที่สุดจิตจะเกิดความสงบหรือไม่สงบก็จะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในอารมณ์นั้นๆในแ ง, ง่พรัตรัยรักบั้งในแง่อริยาสัตว์บ้างซึ่งสุดแท้แต่พลังจิตจะบันดาลให้เกิดขึ้นเวลาทําบุญแล้วไม่ต้องตรวจน้ําแต่ทําจิตให้นิ่งแล้ว เราเลิกกูเทสส่วนกูสลอย่างไรจึงจะได้ผลดีการทำบุญแล้วถ้าเรามุ่งหวังที่จะให้อาอิเทสให้แก่ผู้ใดก็นึกถึงผู้นั้นแล้วก็น้อมจิตน้อมใจอธิษฐานจิตขอให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกูสลถ้าหากว่าทำาดยตนเองเราจะปรารถนาอะไร ปราถนาเอามรรคผลนิพพานก็ตั้งสัตยาทีฐานอธิษฐานจิตปลาธนาเอาเพื่อเป็นการปลูกฝังศรัทธาของเราให้แก่กล้าขึ้นปัญหาต่อไปขอหลวงพ่อช่วยขยายความค่าติธรรมของลุงปู่ดุลที่ว่าอย่าส่งจิตออกนอกอความหมายของคำว่าอย่าส่งจิตออกนอก ในขณะในในขั้นที่ฝึกหัดเช่อนอย่างเราปริกรรมภาวนาโพโตโพโตโพโธอยู่บางทีเรากําหนดจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกบางทีก็กําหนดไว้ที่กลางอกทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราเผลอแล้วมันส่งกระแสออกไปข้างนอกเรียกว่าส่งจิตออกนอกทีนี้ในการปฏิบัติในขั้นต้นๆ น, นี่จิตมันก็ออกบ้างเข้าบ้างออกบ้างเข้าบ้งาบงแต่ที่ท่านว่าอยากส่งจิตออกนอกนั้น เป็นการเตือนเอาไว้เพื่อให้เราพยายามสํารวมจิตเข้ามาในตัวของเราให้มากที่สุดทีนี้เมื่อเราภาวนาเก่งแล้วจิตสงบแล้วสมาธิมีแล้วสติปัญญามีแล้วบางทีจิตมันก็ปฏิวตัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติบางทีมันก็ออกงอกบ้างเข้าในบ้างซึ่งแล้วแต่ภูมิกาลังปัญญาของจิตจะให้เป็นไป แต่ว่าการไม่ส่งจิตออกนอกเนี่ยหมายถึงว่าไม่ส่งจิตออกนอกจากบริเวณตัวของเราให้กําหนดอยู่ภายในปริมณฑลของร่างกายนี้เรียกว่าไม่ส่งจิตออกนอกถ้าพิจารณาดูความเจ็บหัวเข่าหรือเน็บขาได้ชื่อว่าพิจารณาจิตถูกหรือไม่อพิจารณาความเจ็บ ท่า น, นั่นพิจารณาเวทนาเพราะความเจ็บเป็นเวทนาเวทนาที่เราจะรู้ได้ความเหน็บท่าก็ดีเจ็บหัวเข่าก็ดีเพราะเรามีจิตในเมื่อกําหนดจิตลองรู้ที่นั่นก็เรียกว่าพิจารณาเวทนาแต่จิตเป็นผู้รู้เวทนานั้นทีนในการพิจารณาจิตในจิตหมายถึงว่ากําหนดจิตที่กําลังคิดอยู่หรือในการที่เราคิดว่าหัวเข่ามันเจ็บมันเกิดเหน็บทชา แม้จะเป็นการพิจารณาหัวเขา่าแต่เราจะชื่อว่าพิจารณาจิตรู้อยู่ที่จิตก็ได้เพราะจิตเป็นผู้รู้เรื่องของเวทนาเนี่ยกายเวทนาจิตทำเมื่อเรากำหนดจิตรู้ลงที่จิตแม้ว่าเราไม่ได้กำหนดกายไม่ได้กำหนดอะไรเป็นได่เพียงกำหนดจิตอย่างเดียว ขณะที่จิตกับกายยังมิสัมพันธ์กันอยู่ยังไม่แยกจากกันเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทีุ่กายจิตเขารู้หมดกายนั่งตรงหรือไม่ตรงจิตเขาก็รู้กายมีทุกข์มีสุขเขาก็รู้กายจะเคลื่อนไหวไปมาอะไรเขาก็รู้อะไรมากระทบกายเขารู้หมดทั้งนั้นแต่ว่าจิตเป็นผู้รู้ที่ไดการพิจารณาจิตในจิตนี้หมายถึงการกําหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดคือรู้ในจิตอย่างเดียว อันนี้ในเมื่อจิตของเราละเอียดลงไปแล้วมันจะแยกของมันเองสมาธิเป็นการขจัดความชิดฟุง้งซ่านแต่ก็จาเป็นเพราะจิตจะได้มีกำลังถูกหรือไม่สมาธิเป็นการกาจัดความฟุ้งซ่านของจิตแต่เป็นฐานที่สร้างพลังของจิตแต่เมื่อสมาธิมั่นคงสติมีความสติสัมปชัญญะมีพลังงาน เพียงพอแล้วแม่จิตจะมีความคิดอยู่ถ้าสติสามารถตามรู้ทันความคิดที่คิดอยู่ทุกวาระจิตได้ไม่ได้ชื่อว่าเป็นจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตเกิดปัญญาความรอบรู้ทาถามนี้เวลาทำความดีแล้วอยากจะทำตลอดไปแต่ก็ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เสมอทำให้มีโมโหไม่ทราบว่าจะแก่อย่างไร การแก้ก็ฝึกขัดทำสมาธิให้มากๆากทีนี้เมื่อเกิดโมโหมาก็ให้มีสติอย่าให้ความโมโหมันชักพาไปทำสิ่งที่ไม่สมมาพาควรให้มันเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราระงับได้ไม่ทำตามความโมโหความโมโหที่ที่หลังมันของเราไม่ได้เราเป็นลูกน้องที่ไม่เชื่อฟังมันมันจะไม่สั่งให้เราโมโห อ, อีกต่อไป เมื่อก่อ น, นี้หนูมันทำสมาธิพอสมควรแต่มายร ะ, ะยะหลายเดือนหลังมานี้ทำสมาธิไม่ได้เลยใจอยากภาวนาแต่ทำไมจึงเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเป็นมานสำหรับมาตัดรอนความเจริญก้าวหน้าที่เกิดความเบื่อหน่ายเพราะเอาแต่นั่งบริกรรมภาวนามุ่งที่จะให้สงบอย่างเดียว ในเมื่อบริกรรมพอวลาจิตสงบมีปีติมีความสุขเรามีความพอใจความหมั่นขยันมันก็เกิดขึ้นบ้างทีนี้สมาธิลำพังแต่ความสงบมีปีติมีความสุขมันเสื่อมได้นี่ในเมื่อเกิดความสงบแล้วเราหัดพิจารณาให้จิตใจมันทราบซึ้งถึงคุณธรรมเราจะพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ หรือการทำบุญทำกุศลดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพื่อเป็นการกระตุน้นเตือนใจให้เกิดมีความกระตือรือร้นให้กระอยากปฏิบัติความเบื่อหน่ายมันจะค่อยหายไปแต่จิตกลับอยากพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเมื่อเจต้องการอยากจะพิจารณาสิ่งต่างๆซึ่งเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นรอบตัวอันนั้นเจตเขากําลังจะเดินไปสู่ความรอบรู้เขารู้แล้วว่า สิ่งที่จะทำให้เขาเกิดสุ ข, สขเกิดทุกข์คือเหตุการณ์ในปัจจุบันคือสถานการณ์ละสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวในปัจจุบันพิจารณาไปทางพระไตรลักษณ์เป็นการถูกต้องทำไงจะให้มันภาวนาได้ก็ต้องข่มใจให้มันหมัน่นสิตัวเองไม่ข่มจะขยันได้ไงการจับลมหายใจจนจิตนิ่งสงบแล้วทางกระผมจะปฏิบัติอย่างไรต่อไป เมื่อจิตใจสงบแต่เราสามารถที่จะเนืกคิดได้อยู่อันนั้นจิตยังไม่สงบอย่างแน่นิ่งการจับลมจับลมหายใจจิตสงบแล้วดูลมหายใจต่อไปหาจิตยังดูลมหายใจลมหายใจยังปรากฏจอยู่ให้ดูลมหายใจต่อไปโูไปจนกระทั่งลมหายใจละเอียดลงไปจนกระทั่งหายขาดไปจนกระทั่งตัวหายยังเหลือแต่ิตสงบนิ่งสว่างอยู่ดวงเดียว ทีนี้ว่าจิตสงบนิ่งสว่างอยู่ดวงเดียวความรู้ความคิดอะไรไม่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิจะเพิ่งรีบหน้าเ อ, าออกจากที่นั่งสมาธิทันทีให้ทำสติกำนดคอยจ้องดูความคิดที่จะเกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิมาแล้วมาสัมผัสว่ามีร่างกายความคิดเกิดขึ้นทันทีเมื่อความคิดเกิดขึ้นรีบทาสติตามรู้ความคิดนั่นไปเหมือนกับปริกมภาวนา ลอยให้ความคิดมันคิดไปคิดไปคิดไปคิดไ ป, ดไ ป, ดไปแล้วเราทำเราทำสติตามรู้ไปตามรู้ไปเมื่อสติสมัมปชัญญะดีขึ้นจิตจะได้วิโกวิจารณ์ปีติสุขเอกะขะตาเนีมีความสงบลงเป็นสมาธิอย่างที่เคยเป็นมาแล้วแล้วหรือไม่สงบเราก็จะได้สติปัญญาเพราะความคิดอ่านที่เกิดขึ้นดับไปเป็นอารมณ์เครื่องรูกของจิตเครื่องระลึกของสติ เราทําสติกําหนดรู้อยู่กับสิ่งนั้นเป็นการพิจารณาหนักเข้าจะรู้ภัตไตร ล, ลักษณ์เกินนิจังทุกขังหน้ตาตาเดือดรู้ทุกอริยสัจอย่างพิเทศษมาแล้วในตอนต้นไงขอกราบในมัสการถามว่านั่งสมาธิแล้วทําให้เกิดทําให้กิเลสหลุดได้อย่างไรนั่งสมาธิแล้วถ้าหากว่าจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขจนกระทั่งจิตสงบเป็นเอกคตา กิเลสมันก็หลุดไปได้ชั่วขณะที่จิตอยู่ในสมาธิสมาธิอันนี้เรียกว่าสมาธิขั้นสมถะคมกิเลสต่อขณะหนึ่งเมื่อออกจากสมาธิแล้วมันก็ยังมีอย่างเก่าแต่เราก็ต้องนั่งสมาธิทำสมาธิเรื่อยไปนอกจากจะทำจิตให้สงบแล้วก็มันพิจารณาดูเหตุผลของสิ่งต่างๆอันเป็นกิเลสที่ก่อให้เราเกิดความสุขหรือความทุกข์จนมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริง แล้วกิเมันค่อยค่อยค่อ ย, ค, อยค่อยจะค่อยหายไปหายไปยอมนั่งสมาธิก็หลับเสมอทุกครั้งแล้วก็ขี้เกียจมากด้วยจะแก้ไขอย่างไรนั่งสมาธิแล้วหลับเสมอนั่นดีเป็นคนนอนหลับง่ายแต่ถ้าจะฝึกฝนให้จิตเกิดความหมัน่นความขยันขึ้นมาต้องข่มจิตข่มใจทำนั่งมันเกิดหลับก็ฝึกขัดเดินสมาธิ ยืนสมาธิโดยวิธีการที่มันจะไม่เกิดความหลับมีคนทรงเขาพยายามจะบังคับให้เป็นคนทรงอย่างเขาโดยที่ครูต่างๆทำให้กลัวจะทำอย่างไรได้อันนี้วิธีการก็คือว่าทำใจให้กล้านอกจากจะทำใจให้กล้าโดยความตั้งใจแล้วฝึกขาดทำสมาธิ ทำสมาธิให้มันได้สมาธิจริงๆให้มีสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิแล้วให้จิตใจแน่วแน่ต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างมั่นคงอย่าคลอนแคลนอันนี้มีตัวอย่างนายคนหนึ่งเป็นคนทรงก่อนที่จะเกิดการทรงนั้นเขาก็ทาสมาธิตามแบบพิธีที่อาจารย์เขาสอน เมื่อทํำสมาที่บริกรรมภาวนาไปจิตสงบมีปีติมีความสุขรู้สึกสบายหรือล้นอีกสักพักหนึ่งร่างทรงวิญญาณทรงก็เข้ามาประทับพอวิญญาณมาประทับแล้วรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายเขาก็ไม่ต้องการแต่ว่ามันสายเสียแล้ววิญญาณเข้าทรงจนเต็มแก่อวตอมเต็มตัวแล้วก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยแต่มาวันหลังเขาตั้งใจจะภาวนาเอาปีติและความสุขตรงที่เขาต้องการ เขาก็ภาวนาอย่างที่อาจารย์พูดทําพิธีส่งสอนให้พอภาวนาไปจิตสงบสว่างลงวิญญาณที่เคยทรงก็โผล่หน้ามาทันทีเมื่อเขาเห็นวิญญาณเขามาจะมาทรงเขาก็กําหนดจิตต่อต้านเขาบอกไม่ให้ทรงแล้วดูซิพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์กับพระศิวะใครจะแน่กว่ากันเขาก็กําหนดจิตเเพ่งดูอยู่สักครู่หนึ่งร่างพระศิวะก็สลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือ หลังจากท่านบริกรมรมภาวนาแล้วตะโกนหาพระศิวะก็ไม่มีเมื่อเรามั่นต่อพระพุทธประธรรมประสงค์ทําจิตให้แน่วแน่มีสติสัมปชัญญะภาวนาจนได้สมาธิได้สติปัญญาล่างทรงมันเข้ามาทรงเราไม่ได้ถ้าหากเรายังยังไม่มั่นคงในคุณพระพุทธประธรรมประสงค์เรามันก็มีโอกาสที่จะทรงเราได้ก็พร้อมปฏิบัติจ่ก็พร้อมปฏิบัติอยู่ประจํา เคยยกจิตขึ้นเหนือหัวแล้วมองต่ำลงมาเห็นรูปตั้งเป็นสมาธิของตัวเองแล้วมองกระโหลกศีรษะก็เห็นเป็นกระดูกแต่ไม่ใส่มองต่ำลงไปก็เห็นกระดูกป่ากระดูกซี่โครงและกระดูกอื่นๆแการปฏิบัติจากนี้การเป็นการพิจารณาอัธิกรรมฐาน ทนีเมื่อจิตมีสมาธิดีแล้วเราเพ่งไปที่ตรงไหนเราจะมองเห็นที่นั่นและสิ่งที่เราเห็นนั้นถ้ามองเห็นเฉยๆมองเห็นแล้วนิ่งอยู่สมาธิขั้นได้อุคหานิมิตแต่ถ้ามองไปที่ตรงไหนมองเห็นแล้วเช่นมองเห็นกระดูกกระดูกก็มีอาการเปลี่ยนแปลงจากขาวเป็นดำบ้างบางทีก็หักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่บ้าง บางทีก็เป็นผงแหลกละเอียดลงไปบ้างอันนั้นจิตอยู่ในขั้นปฏิภาคเิมิตจิตกําลังเริ่มจะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมาฐาน <c oughs> ให้เพียงไปตามที่ถามมานี่แหละดี <c oughs> การตั้งสารพระภูมิ <c oughs> เป็นพิธีทางศาสนาพราม <c oughs> เพราะฉะนั้นจําเป็นหรือไม่ที่จะตั้งสารพระภูมิในบ้านอันนั้นมีอันนี้มีทั้งความจําเป็นหรือไม่จําเป็น ถ้าเรามีเจตใจแน่วแน่ว่าเราจะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสระที่เพื่ที่ระลึกกันจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องตั้งศาลพระภูมิาหากว่าเรายังระแวงสงสัยอยู่ว่าถ้าไม่ตั้งศาลพระภูมิเดี๋ยวพระภูมิจะมาทำร้ายเอาเราก็ควรจะตั้งให้ทานบ้างแต่ถ้าเราไม่คล่องใจเราก็ไม่ต้องตั้งเอาพระพุทธเจ้าพระพุทธโลกไปตั้งบนห้องพระเราแล้วก็กราบไหว้บูชาอยู่นั้นถ้าพระภูมิเก่งจริงก็เชิญมาไหว้พระสดมนร่วมกันจะได้ไปสวรรค์ ก็สามเจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่เจ้ากรรมนายเวรก็คือวิบากผลของกรรมนั่นเองใครทำำํากรรมใดดีไว้ดีก็าตามชั่วกว็าตามได้ ร, รับผลของกรรมนั้นเจ้ากรรมนายเวรไม่ถือหมายถึงคู่อาฆาตเช่นอย่างนายกอทะเลาะกับนายขอทีนี้นายกอฟันคอนายขอขาด เจตอาฆาตของนายขอที่ถูกฆ่าตายมันยังปูกรรมจองเวรกันอยู่อันนี้เรียกว่าเจ้ากรรมเจตที่มีความพยาบาทอาฆาตกันนั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรมีจริงเช่นอย่างเราเองไปทําผิดก่อใครสักคนหนึ่งแล้วเขาคอยจ้องที่จะทำร้ายเราอยู่นั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรของเราในเมื่อเราตายลงไปแล้ววิญญาณที่เกิดพยาบาทอาฆาตกันเนี่ยมันก็ยังจองกรรมจองเวรกันอยู่ ในเมื่อมาเกิดพบกันเมื่อไหร่ก็ล่างแช่นกันเหมือนนั้นเจ้าคํานานเวรจึงมีอย่างแน่นอนเวลาเข้าสมาธิถ้าทมจิตดิ่งลงไปมากไม่ถอยกลับมาตามเวลาที่สมควรจะเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ได้พูดแล้วว่าการทำสมาธิเมื่อจิตมันจะดิ่งลงไปมันล่างไม่อยู่เพราะในเมื่อจิตเกิดสงบแล้วมันเป็นความเป็นเองของจิต มันจะอยู่ในระดับใดเพียงใดหยาบรละเอียดกลางเป็นเรื่องของจิตที่จะเป็นไปถ้าเขาจะดิ่งลงไปจนกระทั่งตัวหายรู้สึกว่าตัวหายก็ปล่อยไปแต่เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วพอเกิดมีความคิดทำสติตามรู้ความคิดจิตจะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้ในหลักที่ว่าทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจการพิจารณาธรรม การพิจารณาทำจิตควรอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิขอยืนยันว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิจะไปพิจารณาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแม้แต่อยู่ในอุปจารสมาธินี่ถ้าเป็นอุปจารสมาธิจริงๆจิตจะปฏิวัติตนไปสู่การพิจารณาเองโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าหากเราตั้งใจพิจารณาได้อยู่เปลี่ยนความคิดได้อยู่ โดยความตั้งใจจิตของเรายังไม่มีสมาธิเป็นแต่เพียงสามารถบังคับจิตให้อยู่ในขอบที่เราต้องการเท่านั้นเองส่วนของโลกพาไปปฏิบัติธรรมกายเดยทำให้จิตใจไม่มั่นคงประเดียวโพธดโทปะเดียวสัมมาอราหังอยู่ดีๆก็หันไปจับรวงแก้วอีกปฏิบัติตามทางโพธดโทมาสิบกว่าปีตอนนี้จิตไม่มั่นคงเลยจะทาอย่างไรดี โปรดเมตตาแนะนำการปฏิบัตินี่้าจะจับอันใดอันหนึ่งสักอย่างหนึ่งก็ให้มันเหนียวแน่นอย่าไปเปลี่ยนบ่อยนักนอกจากสัมมาระหังนอกจากพุโทโธจะเอาอะไรก็ได้หรือจะมาฝึกขัดกำหนดสติตามรูการยืนเดินนั่ ง, น, งนอนกินดื่รทมพูดคิดไม่ต้องนึกอะไรก็ได้แต่ว่าต้องทำจริงๆถ้าจับโน่นวางนี่ผลมันจะไม่เกิด ที่ภาวนาพธิโธมาตั้งสิบปีไม่เกิดผลเพราะว่าเราไปมุ่งเอาแต่ให้จิตมันสงบนิ่งเป็นสมาธิทีนี้ภาวนาพุิโทเป็นนา น, านแล้วจิตมันไม่สงบหรอกเพราะมันมีพลังทางสมาธิมันสามารถโน้นให้จิตเกิดความคิดเพราะฉะนั้นช่วงใดที่เราภาวนาโพธโทโพธิ์โทโพธิโธอยู่ถ้าจิตอยู่กับพธิโทปล่อยให้เขาอยู่ไปถ้าหาเขาทิ้งพธิโธเสียไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้เขาคิดไปแล้วทําสติตามรู้ไป เจตที่พิษคิดคิดไปนั่นเปรียบเหมือนงูมันออกขาเหยื่องูเวลามันอิ่มแล้วมันก็นอนอยู่ในโพรงของมันเวลามันหิวมันก็เลื้อยออกไปหาอยู่หากินกินอิ่มท้องแล้วมันก็เข้ามากดอยู่ในที่เก่าจิตของเราเวลามันหิวอาหารมันก็คิดโน่นคิดนี่เพราะความคิดนั่นเป็นอาหารของจิตถ้าเรามัวแต่ไปห้ามจิตไม่ให้มันเกิดความคิดปเดี๋ยวมันไม่มีพลังงานมันจะกลายเป็นจิตผอมโซ่ เมื่อเจ็บ้อมลงไปแล้วมันจะไม่คิดมันกลายเป็นเจ็บที่เยียจแม้ทำเจ็บให้สงบนิ่งได้มันก็นิ่งได้แต่มันเป็นจิตโหดหูมันไม่ใช่จิตสมาธิเพราะฉะนั้นเวลามันต้องการคิดปล่อยให้มันคิดบ้างอย่าไปห้ามมันถ้าไปห้ามเริ่มก่อนอาหารของมันมันไม่ได้กินอาหารมันก็หมดกำลังสิเพราะว่าจิตจะมีพลังขึ้นมาได้ต้องมีสิ่งลสติต้องมีสิ่งระลึก ดีแล้วสิจิตมันคิดเองถ้าเราภาวนาโยบหนอพองหนอสัมมาระหังพุทโโพนี่เราหาคำนั้นมา้อนให้จิตแล้วยังจะต้องทำสติควบคุมอีกด้วยเมื่อจิตของเรามันคิดขึ้นมาเองเราเพียงแต่ทำสติตามรู้ทำนั้นมันก็ง่ายเราทำงานท่าเดียวไม่ต้องไปแบกถึงสองอย่างภาละที่จะหาสิ่งรู้ให้จิตนั้นเป็นอันหมดไปเพราะข้าหาขเขาเอง หน้าที่ที่เราจะตั้งใจก็คือทำสติตามรู้ไปการเจริญสติอยู่ในอิริยาบทหนึ่งๆหนงกับการนั่งทำสมาธิอย่างไหนจะได้ผลในการปฏิบัติติหรือการเดินจงกรมเวลาเดินอย่างหนอขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอการเจริญสตินอกจากที่เราจะนั่งสมาธิแล้ว เราจเจริญสติในท่านั่งก็เรียกว่าจเจริญสติในท่านั่งถ้าเดินเดินนั่งนอนกินดืม่มทำพูดคิดจเจริญสติอยู่เนืองๆก็เรียกว่าจเจริญสติกับสิ่งนั้นๆที่ในการเดินจงกรมเราจะเนื่ว่าย่างหนาะเดินหนอนั่งเนอกินเนออะไรหนอก็แล้วแต่จะว่าไปแล้วแต่ถนัดถ้าถนัดอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเวลาจเจริญภาวานาพูดโทษเวลาเดินว่า ขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะเวลานั่งภาวนาพุโทโธจะได้หรือไม่ถ้าเอาอันใดก็เอาอันเดียวทั้งในท่านั่งในทาน่นทาเดินให้มันแน่วแน่เดิมมีตาเคยฆ่าเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารแต่ปฏิบัตเลิกแล้วการกระทำนั้นนับว่าเป็นบาปใช่ไหมใช่ในทาน่าบดจะลอดจอนพรโทษให้ จะกระทำได้อย่างไรการกระทำกรรมเป็นเรื่องของตัวเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบบุตรหลานจะพออนโทษให้ด้วยการทำบุญอุทิศไปให้บางทีอาจจะทำให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานทำไปให้แล้วกรรมที่ได้รับจู่อาจจะย่อนลงก็ได้การทำดีแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เป็นการผ่อนคลาย หรือผ่อผลกรรมหนักให้เป็นเบาลงไปได้รายการตอบปัญหาในวันนี้ก็เป็นนั้นว่าจบลงพอดีก็หมดปัญหาที่จะตอบ